เป็นช่วงของการปฏิบัติแล้วก็ฟัง ร, รมกันกคนเราก็ต้องสร้างบา ร, รมีทุกอย่างมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป จะเรียบเกินก็ไม่ใช่จะช้าไปก็ไม่เชิงทุกอย่างมันต้องมีขั้นตอนและก็เป็นสเต็ปไม่ว่าจะให้ทานรักษาศีล ทำสมาธิจิตจนถึงการอบรมสติให้เกิดปัญญาทุกอย่างมันมีชั่วโมงอย่างการภาวนา ไม่ใช่ว่าใจร้อนแล้วก็จะได้ปื๊ดปั๊บนะทาว่าร้อนอัตมาก็คงไม่น้อยกว่าใครสักเท่าไหร่ทว่าจริงอตมาก็คิดว่าจริงพอสมควรท้าว่าเพียนก็ก็ไม่น้อยกว่าใครสักเท่าไหร่ แต่ในที่สุดมันเหมือนเด็กหัดเดินเราจะแบกของเลยเนี่ยยังไม่ได้แค่หัดเดินก็ต้องเดินให้แข็งแรงก่อนเหมือนกันทุกอย่าง มันต้องสร้างหรือสั่งสมไว้จิตก็ต้องอบรมไปเรื่อยๆทุกอย่างจึงเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือเราต้องสร้างตัวรู้ก่อนรู้เหตุ รู้ผลต้องรู้เส ก, ก่อนเอาอย่างการให้ทานอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าอยากจะทำเท่าไหร่ก็ทำผิดต้องดูกำลังว่ากำลังทรัพย์ของเรานั้นมีประมาณเท่าไหร่ ต้องกินต้องใช้ต้องจ่ายต้องเก็บส่วนใดใช้ส่วนไหนคงเหลือเท่าไหรหาได้มาเท่าไหร่ใช้ไปเท่านี้หาได้เท่าไร่ใช้ไปเท่านั้นหาไดเท่าไรทุกอย่างมันมีเหตุแล้วก็มีผลในตัวมันเองก็พิจารณา เมื่อพิจารณาแล้วทำเสร็จหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านสองทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังไม่เดือดร้อนภายหลัง 1. งไม่ฟุ้งซ่านสองไม่เดือดร้อนภายหลัง และก็สามทำแล้วมีความสุขอยู่อย่างผู้มีปกติฉะนั้นโยมใครก็ตามที่อยากบมเพ็ญทานบา ร, รมีเราอย่าไปทำตามเขาหนาทำตามกำลังเขาร่างใหญ่ตัวใหญ่เขาแบกของหนัก เขาก็แบกได้ไอเรามันร่างเล็กตัวเล็กไปแบกเท่าเขาเนี่ยนะมันจะทับตัวเองตายเอา้าแล้วมันก็เป็นทุกข์แสดงว่าเรายังทำทานไม่ถูกแต่ถูกแล้วที่มีใจน้อมมาสู่ทานอาพอิจารณาเสร็จปุ๊บ หนึ่งไม่ฟุง้งซ่านสองไม่เดือนร้อนภายหลังสามทแล้วมีความสุขมีปกติชีวิตที่ไม่ขัดสนเดือนร้อนตามมาถึงบอเออโยมจะทําเท่าไหร่ทําไปเถิดเรารู้วิธีแล้ว ทำกี่รอบทำกี่ครั้งทำกี่เรื่องทำกี่อย่างโยมก็ทำตามกำลังไม่ใช่ตามศรัทธาอย่างเดียวนะโอ้บางครั้งอาตมาศรัทธามากแต่พอนึกถึงกำลังวังชาาแล้วมัน ถอย29เกถอย29เกไม่ได้ถอยสาสามไม่ได้ถอยสถอยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยถอยจนบอกเออตรงนี้แหละที่ยืนของเราบุญนายโยมไม่ต้องหัวใจของเราเป็นกุศลโยมไม่จนแล้วละ่ะ โยมจะทำสิบทำร้อยทำพันทำหมื่นทำแสนทำล้านหลายหลายล้านก็นแล้วแต่กำลังของเราเป็นสำคัญแต่สรุปว่าโยมไม่จนเป็นคนไม่จนแล้วเพราะกุศลเจตนานี้เกิดแบบเต็มที่แล้ว เราก็ทำตามกำลังแต่ถ้าตามศรัทธาในแม่บางทีอยากจะขายบ้านในมันรู้แล้วรู้รอดจะไปนอนใต้สะพานเลยดีไหมโยมใต้สะพานลอยเดี๋ยวก็พวกวิ่งมาแล้วมันไล่ที่บอกไปไปไปกของมันมันอยู่ก่อน เราก็นอนบอกไม่ปอยไม่ปอยมันบอกไปเราบอกไม่ไปมันก็เห่าไล่ทั้งคืนเราจะไปไหน เ, นเห็นไหมสรุปว่าเออทานบารมีนั้นก็ต้องใช้ปัญญาพระพุทธเจ้าสอนให้สั่งสม บารมีเราก็ต้องรู้กำลังว่าเราจะทำอย่างไรแต่ถ้ากำลังเยอะเนี่ยโยมทำเยอะๆได้ไหมทำเยอะก็เสร็จเร็ว เ, เห็นหแต่ถ้ากำลังน้อยโยมตั้งสติไว้ทั้งไว้ก่อนทำตามกำลัง กุศลเจตนาที่เกิดในใจธรรมะบอกบุญโยมไม่ได้น้อยกว่าใครที่ทำไม่น้อยนี่เราทำแบบสุดๆแล้วศรัทธาเต็มเปลี่ยมแต่กำลังวังชาเนี่ยมันเท่านี้โยมก็ทำเท่านี้แหละแล้วจงมีความสุข ในทานที่เราให้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนั่นแหละคือการให้ทานที่ถูกต้องแต่ไม่ได้หมายถึงว่าความตรณีนะบางคนมีแล้วก็แม้ชักยิ่งกว่าตังเมซะอีกต้องเอากันไกรนิ้ตัดชับโอ้โหตัดแล้วยังไม่ขาดอีก ไม่ใช่ทันไกลการใครไม่คมนะคมแต่ น, นั่นมันเหนียวกว่าเหลือเกินนี่ตัดก็ไม่ยอมขาดความตรณียึดมั่นติดอยู่ในชีวิตในดวงจิตในวิญญาณที่หลงอยู่กับทรัพย์อันไม่เทีย่ยงหลงสิโยมทรไมจะไม่หลง ชี้นกให้คนพูดว่านกก็เกิดเป็นนกขึ้นมาเนาะชี้โซฟาเดี๋ยวเดียวก็มีโซฟาชี้ว่าผนังยังไม่มีนาฬิกาเดี๋ยวก็มีนาฬิกาโอ้ไม่ธรรมาดาเนาะชี้ว่ารถคันนี้สวยเดี๋ยวเดียวมาเป็นของเราใช่นะ เออมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติเราไม่ได้เห็นความสำคัญชีวิตที่เกิดมาเพียงอายุต่ำกว่าร้อยปีเป็นหลักใหญ่ จะมาสำคัญกว่าชีวิตที่ท่องอยู่ในวัฏสงสารแ mm. ห่งความเกิดตายที่ไม่รู้จบเนี่ยนะและเรามาหลงความเกิดอยู่เพียงคำว่า mm. รวยชั่วขณนะ mm. แค่นี้รวยชั่วขณนะแล้วสุดท้าย mm. เขาก็เอาไปเผาไฟ ทึงบอกเออเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉัไหนเมื่อเจ้ามาทัวเปล่าเจ้าจะเอาอะไรไปเจ้าก็ไปตัวเปล่าดังเจ้ามา จบไปแล้ววักหนึ่งฉากหนึ่งบทนึนเห็นไหมต่ออีกว่าอันยศลาภหากไปมิได้แน่เหลือไว้แต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชน ร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟสาทุร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟเห็นไหมโ ย, ยมเหลือต้นทนบุญคุลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนมาจบที่ว่าร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟ เอาไปฝังก็ได้ถูกหรือเปล่าไม่เผาก็ฝังหรือจะใช้แบบลอยนะ้าไปให้อีแง้งขีดกินตามตะเหลีง่งริมทางอุจจาตาโดยเฉพาะบ้านเราเขาไม่ทำกันประเภทนี้ต่างกัน แล้วถ้าโยมมีความตรณีแบบนั้นเนี่ยนะโยมก็คิดเอาว่าเรามีสิ่งนี้แล้วหลงมันเพื่ออะไรทำไมไม่สร้างทานบารมีในยามที่มีก็ทำแต่ถ้ากำลังน้อย ยังอยากสร้างบารมีทานโยมก็ตั้งขุดสนจิตให้ดีมันรักษาศีลไหวพระสวดมนต์ทำสมาธิอบรมให้เกิดจิตตะภาวนาให้สูงขึ้นอีกไม่ใช่แต่สมาธิ เส็จแล้วโยมจะมีความสุขโยมจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าปรารถนาให้เราได้อะไรสิ่งที่สูงสุดไม่ใช่แค่ทานไม่ใช่แค่ศีลไม่ใช่แค่สมาธิแต่ให้เรานั้นทำให้ถึงที่สุดก็คือปัญญาชีวิต แห่งจิตวิญญาณปัญญาชีวิตแห่งจิตวิญญาณพวกเราจะพูดวิญญาณตอนตายต้องมาบอกเสียดายเดออีพออีแม่เอ้ยมาฟังแน่คู่บาเพิรนติเทศให้ฟังมือ น, นีและเพิ่นว่าเด้บวน อิลีบรวิวารเล น, นอาจารย์สมศาสตร์พันเทศดมวลมวนคนว่าเยมวนกว่าหมอร่ำอีกอิลีตัวไม่รู้แปลว่าอะไรบอโอาอาจารย์สมศาตร์ันเทศดเเพราะเพราะน่าฟังพูดจริงๆนะทีกว่าหมอร่ำอีกน่นยอเจ้าของคนว่าเขาเรียกว่ายกตัวเอง นานๆก็ชมเชยตัวเองเสักบ้างมันก็ดีเหมือนกันในโยมเนาะเอาละในที่สุดต้องมีคำว่าปัญญาชีวิตแห่งจิตวิญญาณเราจะพูดแต่เรื่องคำว่าตายคือวิญญาณพอพูดถึงวิญญาณก็หมายถึงว่าคนที่ตาย พระพุทธเจ้าเนี่ยพูดในระหว่างความเป็นและความตายพระองค์ได้แสดงในระหว่างความเป็นและความตายและก็ความเกิดพร้อมทั้งการหมุนเวียนแห่งความเกิดตายมนุษย์ไม่เข้าใจพูดแต่เรื่องเกิดแล้วก็บอกว่า ไม่อยากตายแต่พระพุทธเจ้าเราพูดถึงความเกิดสอนให้รู้ถึงความตายและให้เข้าถึงชีวิตก่อนตายโอ้โหสัจธรรมสอนให้รู้ชีวิตก่อนตายวุ่นวายทำไมครั้งหนึ่งตอนตอมาปฏิบัติ จิตสัมผัสกับธรรมเรารู้สึกกับจิตนี้ได้ว่าไหนไหนก็ต้องตายบุ่นวายไปทำไมไหนไหนก็ต้องตายโลภมากไปทำไม ไหนนก็ต้องตายฆ่ากันไปทำไมเข็นฆ่ากันเพื่ออะไรฆ่ากันไปทำไมในเมื่อมนุษย์สุดท้ายก็ต้องตายเร็วช้าท่นนั้นแต่มันไม่ทันใจกิเลสคนโดยเฉพาะคนผ่านอยากจะกาจัดคู่ต่อสู้ อาตมาว่ามันไม่แฟ่มนุษย์ทำไมต้องใช้ศาสตราทำไมต้องใช้กำลังมาประหัตประหารกันทำไมไม่ใช้ปัญญาชีวิตจิตวิญญาณสู้กันพระพุทธเจ้าเราใช้ชีวิตใช้ปัญญา ใช้จิตวิญญาณยมฟังดูชีวิตใหญ่ไหมปัญญาใหญ่ไหมจิตวิญญาณใหญ่ไมย่ยมสามคำนี่โอ้โหสุดยอดปัญญาชีวิตจิตวิญญาณมาบอกไม่มีคำไหนย้อนกว่ากันเลยไม่ย้อนเลยชีวิตมีไม่มีปัญญาแตมาเ อ, อ้ยมองแล้วก็ซิตน สิตนบันวานไ่แปลว่าสงสารเป็นคนที่น่าสงสารให้เขาเรียกเืิมอยู่จนตายเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวมีชีวิตไม่มีปัญญาคนนั้นเกิดมามีแต่ทุกข์จึงบอกน่าสงสารยมเห็นคนที่มีแต่ทุกข์ไหมเพราะเขาขาดปัญญา ตั้งแต่อดีตมาแรงกรรมก็ส่งให้ไปสู่สภาพที่ทุกข์แล้วเกิดอีกปัญญาก็ไม่มีก็เพิ่มทุกข์ไปอีกจึงบอกเออคนเรามีชีวิตขาดปัญญาเนี่ยนะเป็นทุกข์ฉะนั้นชีวิตต้องมีปัญญา ชีวิตโยมต้องมีปัญญาถึงบอกเออเข้าใจแล้วทำไมพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ถึงคำว่าปัญญาเพราะไม่ให้เชื่อสิ่งผิดผิดคำเนี่ยตะมานั่งกำหนดอยู่ตั้งนั้นทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้คน มีปัญญาเพราะไม่ต้องการให้คนเข้าใจสิ่งผิดผิดหรือเชื่อในสิ่งที่มันไม่ใช่ความเป็นจริงลมลมแล้งแหงแห้งแห้งตายไปยมฟังดูภาษาอาจะมาที่ลมลมแหงแงแห้งแห้งตายไปป่ะ เป็นยังไดเนอ้อแสดงว่ามันไม่มีชีวิตต่อให้มีลมหายใจลมลมแรงแรงแห้แงแห้งตายไปมันก็คือเหมือนคนมีแต่ลมหายใจแต่ขาดชีวิตมันแห้งแห้งแรงแรงแล้วก็ตายไป ผู้ภาวนาะอัตมาเชื่อว่าพวกเราไม่แห้งไม่แห้งแรง้งไม่ลมๆมแหงแงแห้งแห้งตายไปพวกเรานี้ต้องทำให้เกิดกามาภาวะแห่งความรู้หรือสภาพธรรมภาวะธรรมที่ต้องรู้ตามความเป็นจริง ฉะนั้นในระหว่างความเกิดกับความตายเราต้องมาสนทนามาคุยมาพูดกันหรือมาตาอวยกันภาษาจีนก็บอกมาพูดคุยกันตาอวยตกลงกันมาคุยกันโยมนึกว่าตมาไม่เคยคุยกับตัวเองเหรอคุยบางครั้งอาจจะมาถามความตายนะโยมอย่านึกว่าตมาพูดตลกนะไม่ขำนะ ตำบอกเออว่าไงท่านมีอะไรหรือคุยคนเดียวใช่แล้วเนี่ยนะท่านยังมีชีวิตอยู่ที่เกิดมาวันหนึ่งท่านตายไปท่านรู้ไหมบอกรู้ครับเออพูดเพราะดีแล้วชีวิตที่จะต้องตายเนี่ยท่านทำอะไรเตรียมอะไรให้กับ จิตวิญญาณ้างท่านรู้ถึงจิตวิญญาณไหมไมาใช่พอวิญญาณแลว้วก็ผีวิญญาณแล้วก็คือคนตายบอกจิตวิญญาณคือสภา พ, พรู้จิตของเรานี้ก็คือในพระไตรปิฎกเรียกเป็นสามคำมีนัยยะหนึ่งจิตก็ได้ นัยะสองมโนก็ได้ใจก็ได้เขาเรียกจิตวิญญาณใจมโนเรียกเหมือนกินทานฉันเสวยเรียกให้มันถูกการบุคคลเวลาสมัย ฉะนั้นจิตวิญญาณของพวกเราโยมรู้ไหมว่ามันมีทุกข์ทำไมต้องร้องไห้โยมคิดรือว่าชีวิตมันอยากจะร้องไห้มีแต่เด็กที่ไม่รู้อย่างไรเรียงสาจึงร้อง แต่เด็กร้องบางครั้งยังไม่เสียใจนะเพอแปรบเดียมมันวิ่งเล่นกันแล้วพอแม่ตีกลัวแล้วเจ็บแล้วกลัวแล้วเจ็บแล้วพอหันห้านาทีไปยืนต้นไม้แล้วกลัวที่ไหนแล้วไปแล้วขึ้นเก็บปักเกียแล้วแปลว่าเก็บฝรั่งหรือชมพู่อยู่ขึ้นแล้ว และโดยเฉพาะไม่ใช่ของเราเชิดด้วยเอ๊ะมันบ้านใครก็ไม่รู้แปลว่าไปเอาของคนอื่นนะนะั่นแหะเด็กยมรู้ไม่ว่าทําไมเราต้องเสียใจนั่นมันเป็นทุกข์แล้วทําไมเราต้องเป็นทุกข์จึงต้องเสียใจนี่แหละต้องให้รู้ จิตบิญญาณต้องรู้ถ้าโยมไม่รู้เราจะไม่เป็นครูตัวเองจนตายนั่นคือความผิดมหันที่สุดเราไม่เคยเป็นครูให้กับจิตบิน ญ, ญาณเราได้แต่ความรู้ทางสมองให้กับร่างกายแต่ไม่เคยมีความรู้ให้กับจิตบิน ญ, ญาณ เราไม่เคยเป็นครูให้กับกจิตบิญญาติสุดท้ายเขาจะเกิดคนว่าโมหะคืนหลงความหลงก็เหมือนความมืดอยู่มืดด้วยแสงจันเนี่ยเราเปิดสองไฟได้สปอร์ตไลท์ได้แต่ถ้ามืดในจิตของเราแล้วมัน อันธากาเรยังให้คนมืดตื้อตาบอดเนี่ยนะมองไม่เห็น ท, ทั้งทั้งที่ไฟสว่างอยู่ถามทีว่าก่อนจะตายจิตบิญญาณของเราจะต้องเกิดไหม แล้วอะไรเป็นตัวที่ต้องให้เกิดอะไรเป็นเหตุแห่งความเกิดอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุทตบาตสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งกับมีข้อนบอกเฮตุปัจจะโยอารามนาปัจจะโยอธิปัฏฐปัจจะโยอนันตรปัจจะโยสมันตระปัจจะโยสังชาตปัจจะโยเนี่ยมันมีเหตุแห่งความสัมพันธ์เสืบเนื่องกันมา อินทรีย์ความเป็นใหญ่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์ทั้ง6ภายในภายนอกตาเห็นรูปหูฟังเสียงนี่คือความเป็นใหญ่ของตาตามีหน้าที่มองหูมีหน้าที่ฟังกายมีหน้าที่สัมผัสเย็นร้อน อ่อนแข็งถึงบอกเออจะมูกมปหน้าที่ดมกลิ่นลิ้นมีหน้าที่สัมผัสรสอาหารใจมีสภาพรู้ในธรรมารมณ์น้อยใหญ่ยมกำหนดดูทุกมันเกิดทางไหนทุกเกิดได้อย่างไร โยมกำหนดจักคุวิญญาณตาคานะวิญญาณเติมวิญญาณนแล้วเจหมูชิวหาวิญญาณเติมลิ้นกายะวิญญาณมาโนวิญญาณอาะไรโยมทุกเกิดอย่างไร วิญญาณยวมรับรู้ไหมทุกเกิดจากการเห็นจักขุวิญญาณทุกเกิดจากการได้ยินโสตะวิญญาณเอาสติมาทำความระลึกรู้สร้างสัมปชัญญะให้รู้ตัวทั่วพรอ้อม นั่งก็ไม่ได้เผลอไผยหลับไหล น, นั่งอย่างมีสติรู้ตัวตลอดเจ็บเน็บปวดร้อนชารู้เปลี่ยนอิรยาบทน้อยใหญ่รู้ไม่เผลอเลยมีสติคอยระลึกอยู่ถึงบอกเอออย่างน้อยเราฝึกสติระลึก มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวชั่วพร้อมให้โยมอยู่90สก็ไม่หลงสติหลายคนอายุกำลังจะเหยียบเจสจะขึ้น80 90ก็คงไม่ต้องมาแล้วละโยมนะคงไม่ต้องลำบากถึงขนาดนั้นเอาฟังอยู่ที่บ้านแล้วกันนะออมีความหวังดีนะแต่ถ้าจะมาทำบุญก็ไม่ห้ามนะ แต่มาแล้วมายากทำเยอะๆน ะ, ะนี่นี่ชวนทำบุญแต่ต้องดูกำลังด้วยน ะ, ะดูกำลังดูกำลังเราต้องกำหนดก่อนพอกำหนดได้ปืนนี่แหละเรียกเริ่มเป็นผู้ตื่นก่อนตื่นจากสติและสุดท้ายรู้จากปัญญา คือต้องพิจารณาแล้วคนเราถ้าไม่พิจารณาปัญญาเกิดไม่ได้มีดไม่ลับมันจะคมไม่โยมไม่มีทางเอามีดตั้งกับหินให้ตั้งอยู่ชั่วฟ้าดินสลายถ้าไม่ลับมันก็ไม่คมมันต้องหลับมีดคมมีดจึงจะเกิด แต่ในระหว่างที่รับมีดถึงมีดจะคมแต่อย่าลืมว่าเนื้อเหล็กมันก็บางลงนั่นหมายถึงว่าขนาดที่เราพิจารณามีปัญญาชีวิตก็สั้นลงอย่าลืมคํานี้นะตามามองเห็นว่าสิ่งกําลังได้คือชีวิตกําลังจากสิ่งที่กําลังพบชีวิตที่กําลังจะต้องพัดพรากวันหนึ่งบอเออศาธุสัจธรรมสอนเรา มันสอนจริงๆสอนเราจริงจริงจึงบอ ก, กเราไม่ลืมเพราะเรามีสติหนึ่งไม่ลืมชีวิตสองไม่ลืมตัวแก่เจ็บตายเราเข้าใจแล้วพอยิ่งกำหนดภาวนาเข้าไปสมาธิฏฐิเริ่มเกิด คนจะมีปัญญาต้องเกิดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นก่อนทิฏฐิคือความเห็นพอเติมสัมมาเกินแล้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงหรือเห็นตามครองธรรมก็ได้สัมมาทิฏฐิคือเห็นตามความเป็นจริงเห็นที่ถูกต้องโยมเริ่มเห็นอะไรกําหนดไม่กําหนดพิจรารณาเนี่ยปัญญายังไม่เกิด กว่าจะเกิดปัญญาเมื่อจะมานั่งถามนั่นแหละว่าไงจิตว่าไงจิตวันนี้สบายดีหรือสบายดีออกแน่วันนี้กโกรธใครบ้างหรือยังไม่โกรธใครหรอกเออดีจังเลย วันนี้เกลียดใครหมห้ยังไม่เกลียดใครหรอกอใช้ได้เห็นไหมนั่นคือการได้เหมือนกับทบทวนกำหนดจิตตัวเองไม่ได้พูดเล่นนะนี่แหละคือการขัดเกลาวและทำให้รู้สภาวะจิตวันนี้เป็นอย่างไรเริ่มถื่นอนเลยเอ้าวเวลาปฏิบัติยมอย่าเน้กว่านอนขี้เซานา หลายปีก่อนยมเชื่อไม่อาตมานอนหลับงูเขียวหางไม่เลื้อยขึ้นมาถึงหัวนอนเลื้อยขึ้นมาได้ยินเสียงพื้นนี้ปูเป็นเสือ น, น้ำมันเสือน้ำมันนอนหลับ สว่างแล้วล่ะเริ่มเริ่มสว่างได้ยินเสียงสมาไม่ได้ตื่นไม่ได้ลุกลืมตาเฉยเฉยลืมตาเฉยเฉยตัวไม่ขยับอยา่อยากระดิกหนัก ถ้าเราไหวมันสับเราได้เพราะมันตกใจนึกว่าเจอฆ่าศึกแต่ถ้าเรานิ่งมันไม่ทำอะไรน่อกนิ่งดูเฉยพอได้โอกาสค่อยขยับตัวออกหางนี่แดงเลยนาะยโงูเขียวหางไม่กัดแล้วตาย ถ้างูเขียวธรรมดาไม่มีพิษแต่ถ้าหางแดงอยู่ข้างปลายหางนโยมจะเลยนะพิษเขาแรงกัดเลเนื้อเปื่อยบางทีบวมทันทีทำให้เส้นเลือดหรือหัวใจเราตรีบตันหรือพิษเข้าสู่หัวใจตายเฉยๆแล้วก็มองเขา แล้วก็ไล่ให้เขาออกเหลือให้ลงปุ๊บๆๆต่มา ก, ก็ตามเข้ากอไผ่เ <k ling> ชื่อไม่โยมจะเข้ากอไผ่หายไปต่อหน้าต่อตาสิ่งเหลือเชื่อในโลกใบนี้ยังมีอีกเยอะแต่ใครจะเจอไม่เจอก็สุดแล้วแต่คนคนนั้นแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องเอามาพูดเพิรเจอมันจบเฉพาะเวลานั้น ก็เลยสงสัยบอกมันเกิดอะไรงูจริงหรือเป็นสิ่งใดมาปรากฏให้เป็นงูหนอเข้ามาทดสอบเราหรือความตายมาเยอนเรายังตัดสินไม่ได้ยมยาสรุปในเวลานั้นทุกอย่างมันมีสองละ เขามาทดสอบเราเรื่องสมาธิหรือเรื่องเมตตาหรือความตายมาเตือนเราหรือความตายมาหาเราว่าเราจะต้องตายมั จ, จุราส่งมาหรือจมแค่ตรงนั้นแต่ได้สองข้อความถูกทดสอบ ดูสมาธิจิตเมตตาหรือเปล่าหรือความตายมาเยือนวางตรงนั้นอย่าแบกอย่าหามไม่ต้องสงสัยอะไรโลกใบ น, นี้เรื่องที่ยังสงสัยมีไม่มีคำว่าจบวางไว้ก่อนวางกำหนด ตื่นทำความรู้ก่อนนั่งสมาธิไม่ใช่เสพความสงบแล้วก็หลับไหลหรือเคริบเคลิ้มถูกนิวรครอบภายหลังบางคนนั่งสมาธิตอนต้นได้ผ่านสิบยี่สิบนาทีโดนครอบงำหนึ่งว่งเหาเหานอนสองลังเลสงสัยสามเกิดพยายามบสี่ กำหนัดยินดีในการใจสับสายออกถึงวอกเออกำหนัดขัดเคืองอมันรวมหมดเคลื่อบเคลิมแล้ววุ่งเหาเหานอนความเครืบอเคริมมันจะมาบางคนนั่งและ้เคลิมบางคนง่วงเหาเหานอน บางคนบอกฉันยังไม่หลับน่ะฟังอะไรฉันได้ยินหมดแต่มันเหลือเครื่องเดียวอยู่ฉันไม่ได้หลับแต่มาก็ไม่ได้เถียงเวลายอมจะนอนหลับยมเคลิมก่อนไหมอ้าวนึกซีก่อนจะหลับบางทีแววแวแววครับเ้มมาเห่าอ๊จะดุ้งตื่นมันเคลิมก่อนใช่ไหม หลักก็เหมือนกันก่อนจะหลับสมาธิก็เหมือนกันก่อนที่จะเข้าไปถึงมงังวงเหาเหานอนเต็มที่เคริบเคลิมมันเหมือนถูกสะกดเคริบเคลิมแหละไม่สมบูรณ์สติตรงนั้นแล้วก็ตกใจง่ายสะดุง้งง่ายถ้ามีอะไรมาปุ๊บสะดุ้งสุดตัวนะ่ะกำลังได้มอร์ฟีนเต็มที่นะหรือได้ฝิ่นแล้วกันอ เคลิมเคลมเคลมนั่งเคลิ ม, ลมฉันได้ยินโหมดโหพระอาจารย์เทศน์ฉันจำหมดทุกคําเลยเบลเบนั่นะนะ่ะเบลเบลทบอเออเอาละไม่เถียงกันแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้หลับแต่มาก็รู้ไม่ได้หลับแต่เคลิมบางคนไม่ได้เคลิมแบบอย่างนี้แต่เคลิบเคลิมในอารมณ์ยินดีพอใจครับมัน เหมือนกับนั่งฝันเข้าใจใช่ไหมไม่ได้หลับเลยนั่งฝันก็ เ, เรียกฝันกลางวันแสกแสกฝันกลางแดดด้วยเคลิ้มขึม้นมาเขาพูดอะไรนี่เคลิมเคลิมเคลิมเชื่องเลยนะเชื่องเชื่องเดี๋ยวเขาให้เดินตามตามตามเขาบ่เก็บผ้าเก็บตามเขาไปเลยเคลิมแล้วเนี่ยไม่ได้ นั่งดูมีสติกำหนดดูจิตจิตเป็นสมาธิรู้แล้วสมาธิสมาธิก็คือสภาวะหนึ่งของจิตแต่ยังไม่ใช่มรรคผลเหมนที่โยมทำสมาธินิ่งสงบมันก็เป็นลักษณะของจิตที่นิ่งอยู่ในขณะจิตในขณะจิตไม่ใช่ตลอดจิต ในขณะจิตอาจจะสงบได้ยินเสียงอยู่ใจก็สงบไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่กระสับกระส่ายตั้งมั่นนั่นจิตรวมเป็นหนึ่งสมาธิเกิดจะเป็นขั้นไหนล่ะปฐมฌานทุติยฌาน ต, ตติยฌานหรือจตุตฌานสี ก็จะมีกำลังต่างกันยิ่งกำลังฌานสูงสมาธิก็แนบแน่นมากขึ้นเรียกอีกศัพท์หนึ่งก็เรียกว่ามีหนึ่งคานิกะสมาธิเฉียดชิวเกิดบ้างไม่เกิดบ้างแแบบแบบแบบแบบได้แล้วก็หายไปแค่ลิ้มรสแล้วกันสองอุปจาระสมาธินี้ ทำท่าได้อมหน่อยอมอมอมอมกืนสักคานานขึ้นค่อยมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นหน่อยแต่พอถึงอัปปนาสมาธินี่เขาเรียกแนบแน่ น, นุบมีกำลังมากหรือเรียกแล้วว่าดิ่งก็ได้ดิ่งดูนะจะามาจับหินโยนลงสระน้ำต้ม มันจะดิ่งลงตู้จนเป็นนอนถึงก้นแล้วก็อยู่สภาพตรงนั้นนิ่งกึ๊บจิตที่เข้าสู่ฌานแนบแน่นกายที่ตั้งอยู่แล้วก็มีลมหายใจอยู่กับสมาธิตอนนั้นร่างกายเป็นสมาธิด้วยลมหายใจที่มีสมาธิอายุยืนนะ นั่งตรงนั้นไม่แก่ในเวลานั่งตรงนั้นเพราะได้คำว่าความสม่ำเสมอของธาตุมันจะนิ่งธาตุขันเนี่ยจะปกติตรงนั้นชะลอนะเขาเรียกชะลอความแก่แต่ไม่ได้หยุดเวลาชะลอความแก่นิ่งสงบรู้กาย สติถึงกันตลอดสติระลึกรู้อยู่จิตอันสงบวางอยู่กายอันตั้งอยู่ทึ่งบอกเห็นชัดเจนมากกายสติจิตโอ้โหกายสติกายสติจิ ต, ต, ต, จตแล้วมีสมาธิเกิดตักายสติจิตสมาธิอันแนบแน่น นั่งไวเ้เถอะทีนี้ดูไปเถอะอยู่ได้นานสมมุติว่าเกิดมีเวทนาเกิดในระหว่างนั้นถ้าโยมจะเปลี่ยนอิริยาบถก็เพียงกายเคลื่อนจิตไม่เคลื่อนกายไหวจิตไม่มีไหวโยมจะเปลี่ยนยังไงก็ตามจิตก็ยังนิ่งเฉยจะมาทำมาแล้วดู จะเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาจิตอยู่เชื่อกายจิตสติฌานสมาธิตังทุกเออแล้วเราก็มีตัวตื่นตื่นรู้ว่าตอนนี้กายเป็นยังไงจิตมีสภาวะอย่างไร สติระลึกอะไรปัญญารอบรู้อะไรเห็นอะไรแล้วได้พิจารณาอะไรแล้วยังมันจะอยู่ตรงนี้ก่อนพอเราชั่วโมงสะมาตรงแค่ว่าชั่วโมงการบำเพ็ญภาวนาพอมีชั่วโมงบินพอหรือชั่วโมงการภาวนาเนี่ย ที่มากพอเหมือนไก่กกไขนะ่เริ่มมีอุณหภูมิที่พร้อมเหมาะในไขนะ่เนี่ยมันจะฟักมันจะฟักก็คือทำให้เกิดความรู้เมื่อก่อนตื่นแล้วก็ตัวรู้จะอยู่ตรงเนี้ยบอกเออมันไม่ใช่รู้แบบภายนอกรู้แบบจิตสติภายในจิต เอาใหม่นรู้แบบจิตสติภายในจิตโอ้โหลึกซึ้งโยมถ้ารู้ตรงนี้ยังนั่งแบบหรือว่าการกาหนดได้นะโยมที่เขาเรียกว่าสุขุมปราณีตไม่ใช่ความคิดที่พวกเราเคยคิดคิดคคิดคคิดเดี๋ยวไม่ใช่คิด่เดี๋ยวก็ใช่และบางทีก็แย้งกับตัวเองไม่ใช่ความคิดอย่างนั้น ไม่ใช่จุดนี้ต้องบอกว่ามีความประณีตสุ ข, ขุมคัมภีรภาพมันเจิด จ, จ้าพอเราตั้งได้ดบอกสัมมาทิฏฐิเกิดตัวรู้เริ่มเกิดแล้วเราจะกำหนดอะไรก็สุดแล้วแต่จะกำหนดทุกเหตุแห่งทุกความดับการก็ออกจากทุกขหรือยมจะกำหนดตาเห็นรูป เป็นยังไงที่ทุกเวลาเห็นรูปตายินดีกำนัดเห็นรูปที่สวยๆตายินไร้ไม่กำนัดเมื่อเห็นรูปที่ไม่สวย mm. อะไรก็ได้หูฟังเสียงฟังยังไงจึงเกิดคำว่าความโกรธฟังยังไงเสียงหยาบเสียงอันเป็นเสียงที่เราไม่ชอบสติระลึกยังไงทุกอย่างเขาเรียกว่า จะคูวิญญาณเริ่มตื่นรู้ทำงานจึงบอกว่าคนเรามันมีวิญญาณอย่าให้วิญญาณอยู่กับความโกรธอย่าให้วิญญาณอยู่กับความทุกข์อย่าให้วิญญาณอยู่กับความหลงสงสารเขานั่นแหละคือตัวเราในที่สุดวิญญาณเราไปผุดไปเกิดที่ไหนโยมก็ยังอยู่กับจิต ด, ดวงนี้แหละ แต่ว่าเราเปลี่ยนพบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้านิยมอาศัยในร่างแห่งความเป็นมนุษย์อาศัยสีลห้าเป็นเกาะกำบังให้ความเป็นมนุษย์อยู่แต่จิตของเราจะบำเพ็ญให้สูงขึ้นหรือจะทำให้ต่ากว่าเดิมพิจารณาเอา ถึงเวลาที่โยมต้องพิจารณาไม่ใช่ถามแล้วจะถามไปถึงไหนชีวิตคนคนสี่สิบก็ยังถามเขาอยู่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแต่มาว่าเมื่อไรมันจะรู้เมื่อไหร่จะหยุดถามเมื่อไหร่จะพิจารณาเมื่อไหร่จะมีตัวรู้เมื่อไหร่จะมีสติละลึก เมื่อไหร่ตัวตื่นจะมาหลายคนนึกว่าพวกเราตื่นนะ ท, ท, ทั้งที่ตื่นอยู่แต่ว่าตื่นอยู่เพียงเข้าใจแค่โลกที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาแต่เราไม่เคยตื่นอยู่ในโลกแห่งโลกุตระกิจหรือโลกุตระธรรมย้ำ เราไม่เคยตื่นในโลกแห่งโลกุตระธรรมบางคนเกิดมาสี่ห้าหปีเพิ่งรู้นั้นเนี่ยโลกุตรธรรมเป็นยังไงหรือพระอาจารย์มัคสีผลสีนิพพานอะไรคือมัคสีผลสีมัคคือหนทางแห่งการดำเนินตั้งแต่โสดาปติมัคโสดาปติผล อาาคามีมัคอนณาคามีผลอรหันต์มัคอรหันตผลสกท า, าคามีมัคสกท า, าคามีผลอย่างละสี่สี่ก็รวมแล้วคือ8ปดมัคสี่ผลสี่นิพพานก็คือหนึ่งเดียวจิตที่หลุดพ้นว่างเปล่าจากกิเลสทั้งปวงไม่คล้องอยู่ในภพภูมิใดอีก แต่เรายังอยู่ในภพภูมิที่มีแต่ใจนั้นได้ละสละหวางแล้วจิงบอกว่าพวกเราทุกคนต้องจากกันควรจะดีใจหรือเสียใจตมมาบอกทั้งดีใจก็ไม่ใช่ทั้งเสียใจก็ไม่ใช่ทำไมตอบสองอย่างว่าไม่ใช่ทั้งหมด สิ่งนี้มองให้เป็นธรรมมีจิตอันวางเฉยนี่คือใช่นี่คือใช่ใชมีจิตอันวางเฉยพอยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจยิ่งเข้าใจยิ่งรู้นั่นแหละจิตภายในจิตไม่ใช่ภายนอกพวกเรานี้สุขนอกจิต จึงไม่พ้นแห่งความทุกข์กันใช่ทีสังเกตไหมสุขพวกเราที่สุขนอกจิตก็ปรุงแต่งกันปรุงคันจังเลยปรุงแต่งสามสี่ชั่วโมงผ่านไปมันเหนื่อยงานเสร็จแล้วเขาบอกงานจบแล้วมานั่งเก็บนั่งปัดนั่งกวาดนั่งเช็ดนั่งถูนั่งล้างช่วยล้างชามกันอยู่เออ เตรียมงานตั้งหลายวันสุขอย่างนี้ยังไม่ใช่อยาสุขแบบไหนโยมใจโยมเกิดขึ้นอยู่ในใจเราเองอาจจะมาทราบว่ามัวนเนี่ยพื้นฐานรากเง่าเขาเกิดจากโคลน อาศัยโคลนแต่มีบัวดอกไหนที่ยอมจมอยู่กับโคลนอยู่ใต้น้ำบัวทุกดอกก็จะพยายามพ้นน้ำเบ่งบานชีวิตของพวกเรา มันก็เกิดจากอาวิชชาตันหาและก็อุปาทานในรูปนานที่พวกเราหลงติดยึดกันอยู่นั่นแหละแล้วทีนี้จะทำยังไงทำยังไงกำหนดดูพอใจเราเริ่มตื่นรู้ขึ้นโยมเริ่มใช้ว่าพิจารณาไม่ใช่พิจารณาบอกหนึ่งลบหนึ่งเป็นเท่าไหร่ เป็นหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งเท่ากับพอเติมเท่ากับเท่าไร่เท่ากับศูนย์เก่งมากเก่งกว่าเด็กอนุบาลซะอีกเราต้องการเท่ากับเท่าไหร่มันเป็นคําถามแล้วว่าเท่าไรเท่ากับเท่าไหรตอนนี้เราต้องการคําตอบ ชีวิตที่เกิดมาเหลืออะไรที่ใช้ไปทั้งชีวิตก่อนจะหมดชีวิตเหลืออะไรเหลือหนึ่งโถสองสามสี่ก็แล้วแต่โยมได้ก่ะโยมเหลืออะไรเหลืออะไรชีวิตเหลืออะไรเทียนไขละลายแท่ง เพื่อเปล่งแสงอันอัมภัยชีวิตมาลายไปหรือชีวิตละลายไปเหลืออะไรให้โลกดูโยมตอบสิเหลืออะไรให้โลกดูตออกดแต่มาบอกคิดแล้วหน้าอดสูนั่นหรือคือตัวกูอกมองไปเห็นซี่โครงกระดูก และเป็นเท่าฐานในที่สุดสุดท้ายนี่หรือคือชีวิตชีวิตนี้ชีวิตหรือนี่ที่เหลื อ, อไว้ให้โลกเขาดูคือเท่าฐานจะมาบอกนี่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เหตุผลนี่มันคือขี้ผงของชีวิตที่เหลือเอาไว้ให้โลกเขาลูกหลานเขาจะเอาไปกราบไหวหรือไม่ตมายังไม่รู้คิดหรือ ว่าเขาจะไปกลาบไว้นานแค่ไหนไม่รู้หรือเขาไปวางไว้ข้างข้างไหนดียมข้างโบสถ์ดีไหมข้างประตูกำแพงวัดดีไหมเออไว้ไหนก็ไว้ใส่ในกระป๋องท็อปฟี่ฟก็ได้เอามาไม่สนตรงนั้นอาจจะมาสนอยู่ที่ว่าเหลืออะไร ให้กับชีวิตจิตวิญญาณที่เป็นปัญญาแล้วก็เป็นปัญญาปัญญาบารมี้ปัญญาบารมีคือคำวมกํำลังบารมีหมายถึงกำลังนะคนที่สร้างบารมีคือกำลังสร้างฐานกำลัง สร้างบารมีเออเรากำลังสร้างบารมียมมหรืออะไรอย่าบอกว่าเวลาฉันตายฉันเหลือบ้านสามหลังฉโหนสามที่รถอีกสี่คันมีร้านอีกสองร้านนี่พูดผิดหรือเปล่าเนี่ยต้องพูดก่อนตายที่หลังตายก็ไม่พูดแล้วว่ามีบ้านสองหลังรถสี่คั น, นโนสามที่ นายอยู่แม่บัวมีกุฏิใหญ่อีกสองชามนะมันแมนอยู่บัวแม่ใหญ่เอ้ยบัแมนเรนบอกเออตายแล้วก็แล้วตัวคือมันไม่ใช่เราถามแม่เนี่ยบอกใช่ไม่แม่ใหญ่คือแม่คนเป็นผู้ใหญ่แล้วถามเรียกเป็นแม่เนยแม่บอกใช่ไม่ไม่ใช่เออมันก็บัวแมน แล้วอะไรแต่ที่ว่ามันแมนเนี่ยอีอย่างเนาะมันแมนเปิดว่าได้จิตปัญญาสว่างมาแล้วสว่างไปหรือมืดมาสว่างไปหรือสว่างมามืดไปหรือมืดมาแล้วก็มืดไปเอาให้ดีโยทำตัวตื่นให้รู้ แล้วใจเห็นทุกข์อย่าตื่นตื่นตื่นตื่นสติะระลึกตื่นแล้พอตื่นแล้วก็เริ่ ม, เ ร, มเริ่มรู้พอรู้เสร็จนั่นแหละถึงบอกปัญญาจะอบรมเราทุกทุกอย่าความรู้รอบความรอบรู้เรียกว่าปัญญา จะนำพาและละโยนปัญญาจะนำพาจิตของเรานำพาวิญญาณดวงนี้แหละไปสู่จุดหมายคือสุขคติพบโยม อ, อย่าไปเชื่อก็บอกขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์โถสวรรค์ขึ้นยังไงขึ้นทางไหนไปยังไงไปทางไหนรู้หรือไม่หูบอ สวรรค์สวรรค์ไปทางใดวันวาเด้ใสสวรรค์วันวาคืนไหนสวรรค์อยู่ใสบ่เห็นนะคนบอกไม่เห็นหรือคนบอกบ่มีนะเขาบอกสวรรค์ไม่มีเอองั้นไปนรกซะไปน่นวะ่าแลเป็นเด็กซั่งพูดแล้วเป็นเด็กเกลียดเด้ไปซะ สีไปใส่ห้อยสวรรค์บ่มีก็ไปนรกตัวเพื่อนว่าไปนรกมันมวนอยู่บ่มวนตัวส่งเข้าป่าเลยก็าถามไปนรกสนุกไหมอตาตมาก็บอกว่าสนุกตัวพระพระขี่ตัวนี่พระจะโกหกโยมให้ไปเที่ยวนารกบอกสนุกสนุกจริงๆโยม สนุกย่นคำไม่ออกอ่ะยจักสนุกจังไดไว้คำบ อ, อก อ, อยากจะฟังก็ฟังต่อแล้วกันนะเอาละสมควรเวลาชมในการวังธรรมขอยุติแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทิน